Thank you. สักตัวอย่างนึงนะคนนี้ท่านเป็นอาจารย์ทั้ง 2 ข้างท่านเอาบ้านพระประธานในโบสถ์เค้า บ้านท่านมี 2 ชั้นท่านเอาแม่ไว้ชั้นล่างอยู่กลางห้องโถงเด่นเป็นสง่าแม่ผมตาๆผม คนก็จะเอาไปซ่อนไว้ในห้องครัวมากพอพ่อแม่แก่เท้าหลงๆ ผมพันเอกทองคำศิโยธินมากราบคุณย่าครับท่านเอ๊ะทําไมเราต้องมากราบ เป็นคนที่อาจารย์เคารพสูงสุดเราจึงต้องกราบถ้า ผมถามว่าหันมาคุยคนขับรถอาจารย์ถามว่าอาจารย์กําลังทําอะไรผมผม 300 ตอนนี้รายได้กับ เงินเดือนที่ให้แม่ 300 นี่ตัดได้นี่ครับอาจารย์หันมามองหน้าผมแล้วยิ้มเง 300 นี่ตัด ท่านบอกว่าตัดไม่ได้คุณทองคํา 300 บาทหนี้สําคัญที่สุดเงิน 300 บาทนี่เป็นเงินสําหรับเลี้ยงหัวใจแม่ผม อาหารกินแล้วก็ไปซ่อมเสื้อผ้าเก่าแล้วก็แต่ 300 บาทนี่เป็นอาหาร คนที่ไม่มีเงินอยู่ในเนื้อในตัวเลยหัวใจมันแฟบ หัวใจมันแфบ หัวใจมันเหี่ยวเชาเหมือนดอกไม้ยใครที่เป็นข้าราชการจะรู้พอเลยวันที่ 25ไปแล้วนี่ มันเหี่ยวเหี่ยวยังไงชอบกลไม่มีเงินข้าหลดไม่มีเงินค่าอาหารไม่มีเงินซื้อเข้าศรรมันเหี่ยวไปชนถึงสิ่นเดือนแม่อยู่กับเราก็จริง แต่ถ้าแม่ไม่มีเงินอยู่ในมือนี่หัวใจท่านเหี่ยวเฉาๆหน้าสดใสสั่งกาแฟยัง ผมนําเงินมาบูชาพระคุณแม่ 300 บาทครับเอา 300 บาทใส่มือแม่แม่ก็ 300 3-4 เดือนก็ ตอนนั้นท่านมีลูก 2 คนเป็นผู้หญิงทั้งคู่กำลังท้องคนที่ 3 วันหนึ่งก็พาเมียไปโรงพยาบาล นับเงินส่งให้ 600 บาทเอาเงิน 600 บาทนี่ 6 สลึงเอามารับบาทละ 400 อาจารย์รีบไปซื้อ พอเด็กคนนี้โตพูดได้มีคนถามว่า 300 บาทครั้งถ้าคุณย่าไม่ บอกว่ายายแก่ตาบอดนี่มาอาศัยพ่อแม่ 300 บาทนี่ทําให้คนแก่ตาบอดกลาย แม่ครัวหน้ามุ่ยทำงานเหนื่อยจะตายล้างจานเสร็จ 30 บาทแม่ครัวยิ้มแป้นหน้าบานยกมือไหว้ขอบคุณๆวัน เห็นไหมไหมเงินเดือน 300 บาทที่เราให้แม่เรานี่มันมี 300 บาทนี้แม่เราจะมีฤทธิ์ได้อย่าง โน่นแปลเรื่ออะไรกับคุณย่าโนนมรรคทายกก็บัญญัติว่า 5,000 ปีนิพพานปัจจโยโหตุ อุดงเงินเดือนเดือนละ 300 ที่เราให้เป็นบันไดให้แม่ไต่ไปสวรรค์นี่ นี่หลงพ่อมาด้วยมาบอกบุญเองเลยหลวงพ่อมาด้วยมาบอกบุญเองเลยเดี๋ยวกอีกสักครู่ คุณทองคําทองคําตอนนี้ผมไปแต่งจังหวัดไม่ได้แล้ว 90 กว่าแล้วเดี๋ยวปุบปับเป็นอะไรไปตอนดึก คุณแม่ครับเติมโอวันตินหน่อยครับจะได้นอนหลับสบายคุณหลุด ตอน 1, 1 2 อากาศเย็นถ้าไม่ห่มผ้าอากาศไม่สบายค่อยๆจับผ้าห่มมาคลี่ห่มให้แม่แล้วจึงขึ้นไป 2 ลุกขึ้นมาชง ขายยากนะอาจมี 1 ใน 100 แต่ทุกบ้านเชื่อไหมว่าในร้อยหลังคาเรือน 1 ตี 2 ลูกสาวของดิฉันเป็นอาจารย์สอนมหาวิทยาลัยได้สามีเป็นด็อกเตอร์ดิฉันๆก็ไปพักอยู่กับลูกสาวเวลากินข้าวด้วย พอกินข้าวเสร็จหันมาคุยกับแม่ถามว่าแม่จะแบ่งมรดกเมื่อไหร่แม่แบ่งมรดกหนูต้องได้เท่าคนอื่นนะมรดกจะเอาแต่ไม่ปฏิบัติแม่ เดิมพระครูมีคุณนายคนหนึ่งอยู่ตักบาททุกเช้านึงที่คนเขา และชอบฟังท่านคุยเล่าเรื่องต่างๆเรียกว่าเมื่อ ปล่อยให้อดๆอยากๆไม่เอาใจใส่ปล่อยให้วัดชนิดหน้ามือเป็นหลัง มีแม่แก่หลงๆลืมๆสติไม่สมประกอบอายเขามีคนมา ถือเป็นมงคลอย่างสูงที่พระท่านเสด็จมาเยี่ยมบ้านจึงเรียกลูก อารัตนาท่านสมเด็จขึ้นไปดูข้างบนสมเด็จท่านเฉยแล้วถามต่อแล้วท่านจะติเตียนๆอัก วันนี้ท่านไม่อยู่เจ้าค่ะออกไปเยี่ยมญาติอีกนานถึงจะกลับสมเด็จท่านนั่งนิ่งอยู่สักครู่เราจึงลากลับคุณ โยมดูแลเรียบร้อยดีหรือยังเรียบร้อยแล้วเจ้าค่ะดิฉันจุดธูปเทียนถวายอาหารบูชา ได้เอาชีวิตตัวเองแม่ทนหนาวเพื่อให้ลูกอุ่นแม่ไม่เคยนอนเลี้ยงดูเราหัวใจแม่ก็เจ็ดปวด และร้องให้พร้อมกับลูกด้วยร้องไห้พร้อมกับลูกด้วยแม่นับเราต้องตอบแทนบุญคุณท่านบ้างนะโยม อาตมาคุณโยมหรือแม่อยู่คนเดียวข่าวว่าคุณโยมหรือแม่อยู่คนเดียวและไม่ค่อย แต่ก่อนอาตมาไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรก็ฉันของโยมเป็นตามปกติแต่ตอนนี้ เลี้ยงพ่อแม่ให้อิ่มหนำสำราญเสียก่อนคุณนายไม่พูดอะไรนั่ง บางคนกว่าจะคือรู้เมื่อ การที่วัดอัมพวันสิงห์บุรีท่านศอลูกศิษย์ทุกคนเสียง ตายทั้งแม่ทั้งลูกตอนคลอดที่โรงพยาบาลเคยได้ยิน แม่ 40-50 ปีแล้วแม่ก็ยังไม่เคยลืมจำวันมองอยากเห็นหน้าลูกอยากกอด ลูกไม่ได้คิดถึงแม่เหมือนกับที่แม่คิดถึงลูกไม่ได้คิดถึงแม่เหมือนกับที่แม่คิดถึงลูกเราทําร้ายหัวใจ มาล้างเท้าให้แม่มากราบเท้าแม่ทําให้ ยกขึ้นมาเอาผ้าขนหนูสะอาดๆสีสวยๆนุ่มๆที่เราซื้อมาใหม่เช็ดเท้าของท่านให้แห้งเอาแป้งโรยเพื่ออะไรเพื่อตอบแทนบุญคุณท่านจำได้ไหมตอนที่เราเล็กๆท่านอาบน้ําให้เราเช็ดเราโรยแป้ง เรเราก็ทําให้ท่านเป็นการตอบแทนใครทําได้อย่างนี้ชีวิตประเสริฐเจริญรุ่งเรืองเสร็จแล้วเอาอาหารเอาขนมมาป้อนสะอาดๆ เป็นการตอบแทนบุญคุณที่ต่อเล็กๆท่านป้อนอาหารเราเช็ดปากให้เรากินเอมน้ำเสร็จแล้วเอาเงินใส่มือแม่แล้วกลับไปที่เท้าบอกว่าเงินนี้คือเงินบูชาพระคุณแม่จะเป็นการกตัญญูกตเวทีที่ยิ่งใหญ่เพราะแม่จะมีความสุขและภาคภูมิใจที่สุดในชีวิตลูกๆทุก ที่บ้านพักคนชราบางแครู้จักไหมใครเคยไป 365 วันมาสัก ตามละ 65 วันไม่มาเลยปล่อยให้แม่ต้องแห้งจริงลูกๆที่รักทุกๆทุกคนพ่อแม่นั้น ไปหาแม่บ้างอย่างน้อยสักปีละครั้งไป เพียงเพราะถ้าใจไม่เป็นสุขเสียแล้วแต่นอนก็นอนไม่หลับร่างกายจะมีประโยชน์อะไรเพราะถ้าใจไม่ หนูไม่มีไม่มีแม่บอกว่าให้แม่ซื้อจักรยานให้ไม่งั้นไม่ไปโรงเรียนแม่บอกว่า ลูกสาวฉันหายฉันห่วงมากลูกไปไหนแม่ร้องไห้โฮตลอดนี้จนกระทั่งมาพบหนูแม่วิ่งเข้ามากอดกระป้าเธอลูกแล้วแม่จะซื้อรถให้แม่จะไปกู้อาจารย์หนูชั่ว หนูเป็นยังไงชัดไหมหัวใจแม่เป็นยังไงชัดไหมนี้ชัดเจนไหมเอาอีกสักตัวอย่าง เก็บเสื้อเก็บผ้าใส่กระเป๋าลูกสาวชอบกินน้อยหนา นี่ของชอบของลูกทั้งนั้นแม่อุตส่าห์ไปเก็บมาให้ และขอนอนกอดรูปให้ชื่นใจให้หายคิด แต่แต่ละฉานตัวนั้นก็ไม่เคยทําให้แม่ วางไว้ที่โต๊ะหมู่ซึ่งจัดไว้สวยงามมากจุด จัดการให้เรียบร้อยข้าวบันษาออกบันษาตดสงกรานทอดปลาทอดกระถิงลูกสาวยายจัดการดูแลให้ยายทุกพายายไปทําบุญทุกวันพระทําบุญ ตอนนี้เขาตายไปเสียแล้วนี้เขาตายไปเสียแล้วยายจึงจุดธูปเทียนบูชาความดีทุกครั้ง นี่คืออนุภาพของความกตัญญูในบรรดาดอกไม้มะลิเป็นราชินีของดอกไม้หอมเป็นแชมป์ของดอกไม้หอมทั้งหมดกลิ่น มีลูกจะมีกลิ่นหอมลูกจะอยู่ไหนในสังคมลูกจะมีกลิ่นๆในโลกที่โกรธโมโหอาฆาตพยาบาทใจของ ใหญ่เมตตาเพื่อนๆก็รักลูกก็จะๆ ถ้าลูกอยากจะเขินยกเท้าของแม่เขินกับยอดเอาสิ่งที่สูงที่สุดของเราสิ่ง เพลินทำไมตอนเด็กๆทําไมลูกจะเอาฝ่าเท้าท่านซึ่งล้างสะอาดแล้วมา สำหรับลูกที่เป็นมุสลิมในคัมภีร์ท่านบอกไว้ว่าสวรรค์อยู่แทบเท้าของมารดา